เขาคุ้มเิน้ขได้เเขาไม่เป็นอยู่ในเวลาหน้าไไม่เหลือเงินองเสขาม เด็นผ่าเดินมาวางแ น, น, น, นเดนมหาหน้าบึงมาหตัวองจะได้มาทำความเข้าใจกันในธรรมะบางอย่างาเกี่ยวกับชีวิตของวกชาวพสัสคนเดีย ธรรมะตึงพระบรมครูเราตัดตัดว่าธรรมะมันเป็นของว่างขึ้นชื่อว่าธรรมะแต่ธรรมะนั้นคืออะไรไม่รับคำตอบว่ายิ่งที่ไม่เป็นธรรมะนั้นไม่มี อะไรทุกอย่างที่ง่มันเป็นโลกเป็นนามันก็เป็นธรรมะให้ธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทนั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นจพารวรรระธรรมเป็นธรรมะที่ปรับรุงจัญญามมญาติความผิดถูก ในสังคมต่างๆให้มีความสบายไม่มีความแี่งแย่งซึ่งกันและกันเป็นเมืองแลกในขั้ที่สองเป็นธรรมะอันยนรุ่ น, นเป็นธรรมะที่ไม่มุ่งอะไรเป็นธรรมะที่มุ่งความหมดจดให้สะอาด เป็นธรรมะอันสูงสุดทั้งสองประการ น, นี้ก็เมื่อจะเห็นประโยชน์ว่าอยู่ในเรื่องการปฏิบัติอันปฏิบัตินี้ก็จะพูดให้มันสั้นประมาณันก็มีเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเรา ทนว่าไปถึงตัวเราเนี่ยแยกจากตัวเรามีไปมันมากมายส่วนเรืยวย่อก็คือกายกับใจไอ้ส่วนที่เป็นนามเนี่ยมันเป็นเรียกว่าใจตรงนั้นเน่ยจริงๆมันเป็นรูปมันเป็เรียบวาองเป็นวัตถุตรงนั้นกายมเยมื่อเราย่อจะมีสิ่งทั้งสองนี้ปกติก็มีอยู่ตามตัวพุทธบริกรรงใด ทั่วไปมีทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไลยค้นควาะอดหาเนื้อแท้ของกายของใจอ อ, อกมาเพราะว่าเราประมองเห็นนี้ได้ว่าถ้ามันมีความสุขอย่างนี้มันก็สุขคนดีใจมัน ไ, มไปสุขที่ไหน มันมีความทุกข์มันก็ทุกข์กับจิตใจไม่ว่ามันจะทุกข์จากยิ่งว่าอากาศอะไรแค่นั้นธรรมะจึงวางเดือดกับเราทุกๆคนองค์สมเด็จพระัมพภูตเจ้าของเราท่านสอนมาให้ดูตัวของตัวเองทําไมท่านจึงให้ดูตัวของตัวเองเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดมันอยู่ที่ตัวของเรา ตัวของเราทั้งหมดนีกลางความจริงในมันเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งที่เป็นรูปเป็นตัวเดียวว่าธาตด้านหนึ่งที่จะ เ, าาเป็นอารูปจะเป็นรูปเป็นตัวเดียวว่าธาตด้านหนึ่งจริงทั้งหลายเหล่านี้แหละการยิงให้อุบายว่าต้นหรือของตนที่สมมติกันว่าต้นหรือของตนนี้ ที่เราเรียกกันสมมติจะมาจนเลยจะใค้ตัวนาจะที่จะได้ไไไดไนายึดสมุติแน่นหนาสมาวัตตัวว่ตตนวัตของตนเข็นมาแน่นหนาจึ็เกิดสิฏธิเึงเกิ ด, เกดมานเจึนเกิดความยึดมันด่นซื่อมั่นขึ้นสารสัดอย่างทำหน้าที่รพระพุทธเจ้าทาั้งตในที่เจตนเราอป็นรู้เรื่องความจริงห น, น, นี้ ให้เราเห็นว่าเป็นสะเทียงก็เพราะว่ามันเป็นธาตุอันหนึ่งนีม่มีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดเป็นเรี่มงประภัยเกิดเป็นเรื่องประภัยเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นั้ น, นี้ท่านจึงสอนอไปว่าอันนี้ก็ไม่ใส่ตัวต้นอันนั้นก็ไม่ใส่ของของต้นบางในทขณนะ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 อย่างนั้นพระพุทธเจ้าสันึงสอนช้อนอในปีนาสายปัใจัยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอัตมาก็เคยปียายนาเหมื่อวันก่อนแต่มันก่อ น, นตาเรากระมองเห็นหูเราก็ได้ยินทั้งหงมดทําไมสันติในสอนปีนาไม่ตอบทีละให้เพราะไห้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เอตาเรามารู้รเรื่องจริงทั้งหลายเราเนี่ยจริงทั้งหลายที่จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นมามันก็น้อยน้อยแั่ เป็นพูดง่ายๆเลย่าอาจจะมาเคเล่าเรื่องทิ่งต่างๆแล้วมีบ่อยๆมาพระพุทธเจ้าตรัสหลาย ค, ค, ความเกิดความแก่ความเจ็บหรือความตายอย่างนีนอันนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อ ว, วันเกิดมามีแก่มามีเจ็บมาตายมายกขึ้นมาพิจารณาทำบุญกันอยันให้ลืมมันเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งต่างหลาย วันนี้จะมาขอสดจไปเล่าให้ยายฟังยายทุกหลายทุกสารทักษอย่างไอ้จิิงที่ครอบครัวสมบัติในบ้านที่กลัวซะเกินไปกลัวอนาคตกลัวไปดูเดืัวมันจะเป็นย่งนี้กลัวมันจะเป็นยังนี้กลัวเาพ่างแต่นั้นยังไม่ถึงจะกลัวไปแล้ว กัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตกรัวนะมันหลอกอยู่างนี้ตกรัวมันจะมาเห็นว่าถ้าพูดถึงโรคของเรานัเ น, นี่ะสมัยก่จนยุันนี้เอาเป็นโรคอะไรอย่างหนึ่งที่มันเป็นโรคร้ายแรงสุดๆเป็นโรคผี่แปนเป็นโร ค, รโรคะไรนีถ้าหมอบอกว่าไปตรวจดูเป็นโรคมาเร็งตายทั้งเป็นเลยกลัวไม่อยากจะทำให้ตายแล้วนะ่ย อันนี้จะมาเห็นว่าย้อนมาดูที่ว่าอาจะมาพิจารณาเห็นว่าโรคมาเร็งอยู่มันเป็นโรคที่เราโรคแก่เนะี่ยมันเป็นโรคที่สำคัญที่สุดมันได้กว่าสิ่งทั้งหลายทั้งนั้นไม่มีหยุดมันมีทุกคนหรือมันเป็นทุกคนนอืคนที่สุดมันก็มาจมอยู่ที่อันที่พระพุทธททเจ้าสอนไอ้เกิดเกิดแก่แก่เจ็บเจ็บตายตายเนี่ยเราขามหมดแ้ว ไม่อยากจะนึกไม่อยากคิดไม่อยากจะพิาจารณาถ้ามอว่าโรคมาแรงโรคมาแรงาตากริึงกันเนี่กลัวไอ้โ ร, โรครที่มันทํามการกิงก็นั่นคือโรคแก่เนี่ยทำไมไม่รับการพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้คือวันที่มันเจนอยู่แนตะ่มันห้ามไปแต่ความจริงๆเจนนี้เนะี่ยไม่ได้รับการพิจารณาแต่เป็นกลัวแะอหยากเป็นกลัวแคยอยอย่หยางอยู่ใค่มันมากกว่านี้ อันนี้ก็เป็นไอ้ความเห็นผิดในการพิจารณาธรรมะหทางออกจากคําสอนของศาศาพระพุทธเจ้าของเราไปแล้วในความจริงจริงสิ่งที่เราพิจารณาถูกไอ้ริงที่มันถูกต้องอ่ะมันมีทางไม่มีทางแก้ไขไม่มีทางเลยที่จะแก้ไขไอ้ที่มันถูกต้องแล้วมันจําเป็นแล้วมันถึงกาเราแล้วถึงสมัยมันแล้ว ก็ปล่อยไม่ปล่อยมันก็ต้องจําปล่อยเพราะรเราไม่เชื่อเพราะมันฉุดนองค์สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ไม่ไหวเหมือนกันท่านก็ปล่อยในวางจริงท่ทานจึงเห็นว่าเป็นสุขก็ให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาทุกข์ก็ธรรมด า, กกมดาอะไรก็เห็นเป็นธรรมดาแต่ ทีเรียกว่าธรรมดานั่นคือเด็กมันพอดีมันไม่น้อยเกินพอดีมันไม่โตเกินพอดีมันพอดีเรื่องธรรมดานี่ใครๆก็ต้องรับใช่ไหมองค์สมเด็จตจมาสมพุทัเจ้าของเราท่านก็รับไปที่ไหนไม่ได้สากของกระพทรุ ท, ท, าานนทธองค์สันตอและบัญเัติเป็นธรรมดาเรื่องเป็นธรรมดานี่น่ะ มันเรื่องทุกๆคนจะเรื่องเป็นธรรมดาถ้าหากว่ามีสุขก็รู้จักว่ามันเป็นสุขแต่ว่าให้เป็นเรื่องธรรมดาของถ้าหากว่าประสบทุกข์ก็ให้รู้จักว่าทุกข์แต่ให้รู้จักว่าเป็นเรื่องของธรรมดาของมันม ส, ส, สุขัขกแด่ว่าสุขทุกข์จักได้ว่าทุกข์เป็นเรื่องของธรรมดาแต่แท่อย่างนี้ ถ้าเราเห็นธาตาวความจพียงอย่างนี้เป็นของธรรมดาแล้วมันก่อนจิตใจมันก็เป็นธรรมดามันก็ไม่ขึ้นมันก็ไมู่้มันเป็นธรรมดามันเป็นสภาวะอย่างนะอุปาทานซึ่งเราเข้าใจผิดซึ่งไปยึดมันมากไปกว่านั้นมันเกินธรรมดา เรื่องธรรมดานั่นจะมาเสยเสียในฟังว่าเราจะฉีดยาเอาเขยมเราไปแทงในเนื้อของเราทนะุกคนก็ต้องมีความรู้สึกที่ความเจ็บปวดพระอดีตเจ้าทั้งหลายท่านก็รู้สึกมีความเจ็บปวดแต่ว่าเจ็บปวดเป็นธรรมดาเราทั้งหลายก็เจ็บปวดกันทุกคนแต่เจ็บปวดเป็นธรรมดาที่เดียวกันธรรมดา ใทรๆเขาต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มันเหือธรรมดาประนั่นตราเรียกว่ามันเป็นการตลาดเช็นว่าเราจะจีบยานเอาเข็มมื่สะอาบยาพิษเนี่ยแล้วมาจีบกันไปนี่มันเจ็บมากที่สุดเจ็บจนตายมันเหลือธรรมดามันเกินธรรมดาไปแล้วอุปาทานนี่ก็เหมือนกันทันนั่นอุปทานนี่คือเรียกว่าเอาเข็มมือสะอาบยาพิษ มันเกินธรรมดาไปแส้วอย่างนั้นพกกระพุทธเจ้าเห็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายยามีอุปทาน่ะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวของเราว่าเป็นของของเรายิ่งวกว่าธรรมดาจะมีอะไรก็รักษามันไว้รักษาไว้ให้เป็นธรรมดาอย่าให้มันเกินธรรมดาถึงแม้ว่าเราจะเจ็บจะป่วยมากกว่าให้รู้จักกว่ามันเจ็บมันป่วย ต่อยเห็นบาปการปิติป่วยเป็นธรรมดาอย่ามีความยึดมั่นถือมันนี่ยเกินธรรมดาไปแล้วมันเป็นทุกข์ในความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเกิดมาแล้วอันที่มันปราศจากอุปทานมันเป็นทุกข์ธรรมดาทุกข์ที่มันเก็ดอุปทานเน่ยเหมือนกับไอเส็มฉีตยานย่างไปอาบยาพิษมานี่มันเป็นอุปทานอย่างนั้น่ อันนี้มีทางที่จะแก้ไขโดยการคิดนิดโดยการพิจารณาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นธรรมอันหนึ่งที่พวกเราทาั้งหลายจะพิจารณาให้เห็นตาสภาวะความเป็นจริงอาการทั้งหลายแล้วนี่เราจะดูหนังสือเรื่มไหนก็าตามจะอะไรก็าตามมันเห็นไปทั่วไปแต่ว่าพวกเราทาั้งหลายนั้นไม่ไดเอามาคิดไมได่เอามาคิดิดพิจารณาถึงความจริงว่า ก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นความจริงในที่นั้นอนอกจากนั่นไปซึ่งมันเป็นตัววัตถุ ก, ก็ตามซึ่งมันเป็นตัวนำก็ตามมันก็เต็มอยู่ทุกที่พวกนี้มันมีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าธรรมะมเป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นความจริงใ้ความจริงนี่ถึงแม้มันจะอยู่ที่ไหนก็ช่างมันเถอะถ้ามันเป็นศาสนาแล้วมันถูกต้อง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 สักจะว่าแสนที่มันจะวุ่นวายอะไรก็ตามทีเอตเราที่มาอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจอะไรถึงแม้เราพุทธเจ้าเราก็ตามสาวกต่อตามท่านก็เกิดอยู่ในโลกที่มันแสนที่มันวุ่นวายแต่ท่านก็เอาความวุ่นวายนีย่แหละปฏิบัติในความวุ่นวายนี่กัดจะรู้รู้ธรรมะในโลกนี้ไม่จะไปเอาโลกอื่น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 สาวกทั้งหลายกากัดกระรูทั้งหลายในที่นี้ไม่ไปที่อื่นเอาสริงความสะอาดนี้อยู่ในสกกุกกระโกงเอาสุกกันโปกออกแรง ก, กว่าถึงความสะอาดอย่างนั้นโรคกันนี้จันทร์จึงโลกระทูรู้แจ้งโรคถ้าจัรรู้แจ้งโรคมันเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสว่างอยู่ในโรคถ้าไม่รู้แจ้งโรคเมื่อไรเป็นต้นมันก็ขัดข้องอยู่ทั้งนั้นตลอดการตลอดเวลา ซึ่งไม่ว่าจะหนุ่มก็ขัดข้องจะมีอายุมากเลี๋ยวมันก็ขัดข้องจะเป็นยังไงก็ขัดข้องจะยนตจะรวยอะไรมันก็ขัดข้องเดียงกันนั้นเพราะยังไม่เห็นโรคอันนี้ตามความเป็นจริงถ้าเห็นความตามเป็นจริงแล้วเป็นต้นปัญหาเนี่ยมันก็น้อยลงไปมันลดลงไปอี่ฉะนั้นจึงให้พวกกุตถบริสับบทธ์เราทั้งหลายภาวนาอการภาวนาการค้นคว้าหาธรรมะอันนี้ มันเป็นพุทธะการมันเป็นพุทธการต้องค่อยๆไปตามขั้นตอนมันเช่นว่าการรักษาศีลการเจริญสมาธิการทําปัญญาให้เกิด อ, อย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นขั้นตอนของมันการเดินทางเข้าไปสู่ธรรมะเห็นธรรมะอันนี้ซึงแม้ว่าจริงทั้งหลายแล้วนี้ไม่มีในแบบในตำราก็าตามเถอะมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น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 เรคิดอยากจะหายใจให้มันสงบจิตใจมันก็ไม่ค่อยสงบมันก็เป็นของมันนี่ฉะนั้นพระพุทธเจา้าจึงมาสอนใเรื่องอื่นมีแต่ว่าไม่สำคัญไม่สาคัญกว่าฎิการนั่งสมาธิทำจิตให้มันนิง่งการทำจิตให้มันนิ่งการทำจิตให้มันหยุดนี่ทันมันทัน แต่ธรรมดาเราความเห็นธรรมดาเราเรียกว่าต้องวิ่งตามมันถึงทันพระพุทธเจ้าศาสนารหยุดมันถึงทันพาดีตามมันไม่ทันให้หยุดมันทันเนี่ยอันนี้มันก็เป็ น, นท้งเฟรชเหมือนกันเมื่อหากว่าจิตของเรานั้นเมื่อทำสมาธิแต่ไม่สมปรารถนาเราตรกตั้งตกตามการที่ทำสมาธิเป็นกาให้รู้จักแค่ว่า ไอ้เรื่องจิตของเรามันเป็นอย่างไรจิตนิ่งมันเป็นอย่างไรจิตสงบมันเป็นยังไงอย่างนี้บางคนก็เห็นความคิดเกี่ยวของในที่กำหนดนั้นก็เข้าใจว่าจิตเรามันไม่สงบจิตเรามไม่เป็นสมาธิไอ้ความเป็นจริงสิ่งที่มันหมุนเวียนอยู่นั่นแหละเอ ม, มันนิ่งแต่เพาะความหมุนเวียนมันเช่นว่าอานิจจังคือมันไม่เที่ยงอย่างนี้ ความไม่เที่ยงก็คือมันแปรเปลี่ยนไปมาอยู่รืน่นๆถ้าเราเทีนาก็ไปถึงที่สุดมันแล้วมันก็เห็นความเที่ยงของมันความเที่ยงของมันอยู่ที่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ปัญหาที่เราสงสัยก็หาให้ไปมันก็หมดไปยิดใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นไอ้ธรรมราจิตของเรานะี่ยเมื่อนั่งไปความสงบเดี๋ยวความเข้าใจคนจะได้ไปนั่งมันก็สงบ มันก็เป็นธรรมดาบางทีก็สงบไปบ้างบางทีก็มีเรื่องอะไรต่างๆรวบรวมไปสลับรับท้อนกันไปบ้างแต่ยังไรประามเถอะถ้าทําไปเรื่องสมาธินิดต้องให้ถึงอัปปนาสมาธิถ้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเข้าไปถึงด้านปฏิบัติได้พยายามไปถึงอัปปนาสมาธิสมาธิเสียวอัปปนาสมาธินัน สมาธิที่มันนิ่งที่มันแน่ที่มันนอนจะไม่มีอารมณ์อะไรที่เต้าส่งไปถึงตรงนั้นมีความรู้อยู่อย่างนั้นรู้ไม่มีเรื่องตรงนั้นมันรู้ไันมีเรื่องมันสะอาดอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นแค่นั้นนิ่ยกเข้าไปบวมอยู่ผู้ปราสมาธิก็เรื่องจิตใจของเรานี่เองว่าเรานั่งเข้าไปมันจรไปแต่มันจอนไปอยู่ในความสงบไม่ออกจากวงจรนของความสงบ มีความรู้อยู่ในมโนทิพย์อยู่ใ น, นความสงบอันนี้เป็นอุปจารสมาธิเข้าๆออกออกแต่อปันนาสมาธินั้นไม่มีอะไรเข้าไปถึงแต่ปัญญาไม่เกิดเหมือนกันเข้าไปพักตร อ, อาศัยถ้าปัญญาจะเกิดเป็นเป็นตัวปัญญาจริงๆเป็นอุปจารสมาธิมันออกออกมานอกกรนะดานเข้าไปข้างในกระดนอันนี้มันจะเห็นอารมณ์เกินมา มันจะเห็นเรื่องอานิจจังมันจะเห็นเรื่องทุก ข, ขังเห็นเรื่องอนัตตาตัวนี้ปัญญาจะเกิดตรงนี้ตัวปั ญ, ญาจริงๆเนี้ยก็ไม่มีอะไรเข้าไปโหมถึงที่สุดขนานั้นอันนี้ผู้ปฏิบัติก็ให้เขาไปเห็นอันนี้่ว่าสมาธิสมา ธ, มาธิทั้งหลายนี่ระวังหมดเดียกับเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่อย่างยืนะจ๊ะสงบแล้วไม่สงบก็มีสงบมากเนะี่ยซไปสงบน้อยก็มีราดพัดอย่างที่มันปูนเตะกันอ ย, อยู่อย่างนี้ อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตัณฑ์ของสมาธิเหมือนหินทับหญ้าธรรมทานเหมือนหินทับหญ้าเมื่อมันเป็นทับหญ้าญ้ามันก็งอกเงย่อจะมีด้เมื่อเอาหินออกไปต้องงอกเงย่ึจะมาได้ขีทดทั้งหลายทั้งปวงก็เป็ น, ป น, น, นอย่านั้นอยนั้นทั้งสองประการนี้เดีวกว่าสมาธการรมฐานคือความสงบที่สองอิปัสนาสมาทานคือปัญญามันเกิดแล้ว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 เมื่อแรกอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างไมนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนได้เรืเ่อยไปจนกระทั่งมันสุกก็เป็นมะม่วงใบเดียวเรื่องสรรมชาติเรื่องวิพัฒ น, นาอันนี้ก็เหมือนกันทันนะถ้าเราพูดแยกก็เป็นคนในอย่างถ้าพูดรวมที่สุดจะสักเหมือนมะม่วงใบเดียวเปนทันนะั้นนี่เดียกว่าการภาวนาในด้านจิตจะพอถ้าหากว่าเรามีความเห็นชอบเมื่อไรตามมัต ไอ้ปัญหาอะไรทางหลายมันก็จะหมดไหมมันก็สิ้นไปทางนั้นความสงบเกิดขึ้นเพราะปัญญาความรู้มันก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดต่อกันอย่างนั้นเรื่องสมาธิมีนเป็นเรื่องทำยากเป็นเรื่องทำลาบากเพราะว่าคนอยากได้เร็วอยากจะเป็นเร็วนั่งเดียวนั้นอยากให้สงบเดียวนั้นอยากจะเป็นเดียวนั้นอย่างเป็นต้นมันจึงเป็นของอยากมันเป็นของลำมาก มันสำคัญอยู่ที่ปฏิปทาของเราการกระทาที่เอียดล้วก็ทำขยันล้วก็ทำทำไปเรื่อยเร่เรียกว่าปฏิปทานี่เป็นของสำคัญมากที่สุดเราทาไปมันเกิดนะมันจะเกิดอย่างไรก็เกิดอย่างหนึ่งไปเรื่อยเรือไปมีการปฏิบัติสมาปฏิปทาการทำบันนี้ไม่สงบหรือมันสงบแนวบันนี้เราจะดึกจากสมาธิก็ให้ย้อนกลับดูว่า การเลิกจากสมาธิการเลิกจากการทำเพียนนั้นไม่มีมีแต่บิดาญาเท่านั้นยังเราทำงานเสร็จวันนี้ออกจากงานไปแล้วเป็นต้นเราก็ยังดัลึกถึงงานเราอยู่พรุ่งนี้วันนี้อันนั้นยังไม่จบอันนั้นยังไม่ติดต่อกันยังมีอยู่อันนี้มันเป็นปัจจัยการประพฤติปฏิบัตินี่กับมันกันฉันนั้นแตเราเลิกจากการทำเพียนเนี่ยเป็นต้น <c oughs> ยังเป็นบิริยารรรมปลาลบการกระทําอยู่เรื่อยไป เป็นสติสติหนึ่งสมปัจัญญะหนึ่งปัญญาหนึ่งทั้งสามนี่ถ้ามีสติแล้วสมปัจจัญญารู้มันก็มีปัญญามันก็เกิดสิ่งทั้งสามประการนี้ให้ติดตามอยู่ในตัวของเราดรือยไปอาการของการทำเทียนบางคนก็เคยเข้าใจว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาส อาตมาว่าต้งคิดปีอทีวะเรื่องยังไงไม่มีโอกาสไม่มีหรอกถึงแม้การกระทําเพียนของเรามีความรู้สึกวันกระโรมหายใจกระโรมหายใจเพถึงแม้เราจะนอนดับอยู่พอดีจะทํางานอยู่พอดีเป็นตน้นมันต้มีโอกาสที่จะหายใจนี่เพราะเห็นว่าลมที่หายใจเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของเรา เราพูดเรื่งการประพฤติธปฏิบัตินี้ก่เหมือนกันมีโอกาสอยู่อย่างนั้นถ้าเรามีโรวมหายใจโอกาสมีรวมหายใจการประพฤติธปฏิบัติการรู้สึกนึกคิดของเราก็มีโอกาสอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเรามาเทียบเทียงกันเป็นนี้เป็นต้นการประพฤติธปฏิบัติปฏิปทาของเราเป็นต้นมีโอกาสสม่ำเสมอไม่ขาดจากโอกาสที่จะต้องทำอย่างนี้อันนี้เป็นไปได้ถ้าหากว่าเราออกจากกสมาธิเนี่ยจ็ต้องเลื่อนไปจับ เลิกจากสมาธินะก็เริกมันไปใช่อืมไม่มีนิสัยปัจจัยติดต่อดึงหน้าวไปหาการอีกเป็นส่วนมันก็ขาดไปอันนี้ปฏิปทานี่เป็นส okay> uh, uh, really> ิ่งที่สําคัญในการประพฤติปฏิบัตินี่ออาจฉันเรื่องการประวัติปฏิบัตินี่ก็เดี๋ยววันนี้ให้ศึกษาธรรมะวันนี้ให้เรียนถามธรรมะดีกว่าอดีกว่าจะมาพูดในโอเดียมจะมีข้อสงสัยในการประพฤติ มีการปฏิบัติ น, นั้นเรียนถามเฉพาะเจาะจงไปดีกว่าฉะนั้นโอกาสที่จะให้ถามปัญหาต่อไปนี้มีแหละเรียกให้โอกาสแล้วต่อไปนี้เวลามันก็ไม่ปิะกวมากเท่าไหร่แล้ว ก, ก่อนเราท่านท่านประธาน ม, มีปัญหาถามดีๆอยนะ่างนี้ <laughs> ในทำยังไงทระาทไปถึงไหนนะอืมใจไ่ะอแนคอ่กล้าเมือนกับว่าที่ทำเนี่ยมันยังมันคือมันมีครั้งหนึ่งนะค่ะือไม่ค่อยตัวเองยังไม่ค่อยหนอกแต่ว่าคือมันเคยเมื่อไม่านนี้เค่ะมีความรู้ส <Z ern fun ata> ึคือตอนนี้เวลาว่างมาก็พยายามทำสมาธิทุกวันคือแปลว่า เปิดเทสองใจใจเหมือนตาแล้วก็การสมาเรื่อยคุณผู้ชมคือมันมีอยู่วันที่รู้สึกว่าจิตใจมันมีมันไม่ค่อยสงบมีเรื่องที่เป็นอารมณ์ขึ้น่องคิดอนูคุแล้วไอ้เรื่องนี้มันก็คล้ายๆทำให้ใจคอไม่สบายคุณมะมันไม่สามารถที่จะทําให้ออกไปจากจิตใจได้นี่ตอนตอนเวลาหน้าสมาธิรู้สึกเรื่องนั้นมันมาทำให้ตามเทศมันก็ไม่ค่อย ดีใช่ปก็เลยหยุดฟังแล้วลองพารที่เจรนาดูตามความรู้สึกของตามความคิดของตัวเองะแล้วก็เมื่อาที่เจาถูกหรือเปล่ามาให้ความ้อรณที่ไม่ชอบมาได้เป็นก็คันๆนี่นะ่นี่อไม่ไดยที่ว่านั่นสิมันก็เลยบอกให้จ้าว่าที่จะปรรนหล อารมณ์อารมณ์มีนะจะแก้มันยังงยังไอารมณ์พลูกเท่าทานี่จะแก่อารมณ์่างๆมีไปมีาี่นี่เปต่อทานดีจ้มีจากอารมณ์ที่นี้มันก็เพียบเยากดงนั้นรู้ากว่ารนี้สัว่าอารมณ์น้คุตัวตนเาว้ระหรู้าว่ารมณ์นี้ะสว่าอารมณ์นีบคุตัวตนรร อารมณ์นี้มันก็เป็นอารมณ์จิตนี้มันก็เป็นจิตถ้าจิตมันไม่แขงไม่แข็งมันก็ไม่ดูเรื่องของอารมณ์อือารมณ์มันก็อาจิตตัวกันใบไม้ของเราที่มันนิ่งเราจะมองเห็นว่าใบไม้จ่ตามต้นไม้มันจะนิ่งอยู่เมื่อมันไม่เี่ยวจิตของเราก็เป็นอย่างมันเป็นเฉดีของมันอยู่อย่างนี้ถ้าถูกออามาพัดมันสุดวัดแหวกนั่นก็คืออารมณ์ ใบไม้นี่ยมันจะอยู่นี่ของมันไปไหนก็อารมณ์พอารมณ์มันมากดแข็งอารมณ์นี้ก่อนมันกันฉันนานมันเป็นขึ้นถูกครั้งมันเป็นสิ่งทุกเวลามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนอกจากเราที่มาเห็นว่าอเิจิตาให้ความเป็นของไม่เที่ยงของอารมณ์อันนี้มันเป็นอารมณ์มนี้มันเป็นจิตอารมณ์ก็ให้มันเป็นอารมณ์จิตนั่นก่ห้มันรู้จากอารมณ์ ไอ้เมือนก่ทีใบไม้ไอ้ที่มันกวาดแฝงในใบไม้ก็เป็นใบไม้ที่จะริงให้มันกวาดแวฝงก็คือลมนี่พระพุทธองค์สันสอนว่าให้รู้จักอย่างนั้นว่<ส>ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่ามันมีลมอยู่เมื่อไรเนี่ยมันมีส่งอยู่เมื่อไรมีใบไม้อยู่เมื่อไร่มันก็กวาดแฝงมีจิตยอยู่เมื่อไรมีอารมณ์อยู่เมื่อไรก็กวาดแฝงอยู่ จนกว่าที่เราจะได้เห็นว่าอารมณ์นี้อารมณ์นี้กว่าสักว่าอารมณ์จิตนี้กว่สักกว่าจิตจนกว่าเที่ยวไอาจิตนี่มันกว่าสักว่าจิตคือมันมีตัวจริงของมันเนี่ยอารมณ์นี้กว่สักกว่าใจอารมณ์ตั้งมันก็หมดไปมันก็หมดไปมันก็หมดไปหากว่าใบไม้มันมีอยู่อารมณ์มันมีอยู่ในการกระทบถูกต้องกันมันก็มีอยู่แร่กัดแฝงอยู่อย่างนี้ ถ้าหากว่าเราเห็นว่าใไม้จริงๆอย่างนี้ร่มก็ไม่มีมันห ม, ม, ม, มดจิตนี้ก็สักมาจิตเท่านั้นเนี่ยอารมณ์ก็สักมาแต่อารมณ์เท่านั้นเน่ยมันก็เป็นสักแต่ว่าเท่านั้นแหะมันสมดทั้งจิตมันหมดทางอารมณ์อืน<ม>ี่จะให้จใจมันหมดไปโดยวิธีความรู้สึกอย่างนี้<ม>ตากองเราว่ากันไอใบไม้ที่มันกลดแรงเนี่ยใครว่าไม่เป็นพ่ออะไรมันเป็นพ่อร่มอีกคนหนึ่งจะตอบอย่างนี้ คนหนึ่งไม่ใช่เป็นพ่อใบไม้คนที่หนั่งฟังภาวนาฟังเหมือนกัน่ะมันก็เสียงกันอยู่นั่ะไม่ใช่มันเป็นพ่อร่มมันเป็นพ่อมีร่มไม่ใช่มันเป็นพ่อมีใบไม้เราจะพอดใจไปใครมันปูเขาปิดเนี่ยยังงั้นแหละใบไม้มันก็มีร่มมันก็มีมันก็เป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้น ถ้าหากว่าเราเห็นว่าใบไม้นี่ก็เป็นสักว่าแต่ใบไม้ลมก็สักว่าแต่ลมไอตัวจริงจริงนั่นมันไม่มีรักใบไม้มันก็ไม่มีลมมันก็ไม่มีจิตนี้ก็สักว่าจิตอารมณ์นี่ก็เป็นแต่ของสักมาอารมณ์เท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอารมณ์นี่มันก็ไม่มีจิตนั้นมันก็มีเป็นสิ่งสักแต่ว่าเท่นั้นมันก็หมดลมมันก็ไม่มีใบไม้มันก็มี ในการกวดแกงนั่นก็ไม่มีหมดย่างงั้นก็เทียงกันมาหยุดเหมือนกันนะท่านนะแต่เราไม่ทะรุ ต, ตรงนี้เราก็ไม่สบายใจตอนนั้นนะเออพราะว่ามันมีจิตอยู่มันมีอารมณ์อยู่แต่พระพุทธเจ้าตอนนี้สอนไหนมันเหนือขึ้นไปอีกอันนี้เหนือตินทั้งหลายลรงนี้ขึ้นไปให้มันเหนือใบไม้ให้มันเหนือล ม, นนอมว่าใบไม้ก็ไม่มีอารมมันก็ไม่มีมจิตนี้ก็สักว่าจิต อารมณ์นี่กรสักวาดแต่อารมณ์มันไม่ดีมันหมดที่สิ่งที่มันไม่มีด้บก็หมดไปหมดทั้งใบไม้หมดทั้งลมสักแต่ว่าทั้งนั้นมันก็เห็นไปถึงเมื่อนั้นมันจิดจะไม่กอดแกงเห็นไหมให้ทําไงไงเห็นลมกัใบไม้ก็เอากันเองนะแต่ทําไงมันติดสมองูดอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาเราฝึกใหม่ๆมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อาการทั้งหลายเหล่านี้นะมันจะแสดงมันจะมีความรู้สึกนึกคิดตลอดเวลาอยู่อีกวันนึงแล้วก็ ละอามันนะเราเห็นชัดมามันเปลี่ยนอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาบางสิ่งที่เห็นนะมันวุ่นวายเกิดพิจารณาก็ได้มันสงบสงบไปได้คนนึกว่าเขาได้มันเสร็จแล้วมันไม่เสร็จนะไม่เสร็จมันมียุบยีเก่งเนี่ยนี้เมื่อไรก็พิจารณาไปด้วยไปอย่างนั้นไม่ใช่ตัวปัญญาลงตัดได้มันไรยังเหลือว่ามันดยูอย่าง บางอย่างนี่คือว่า ม, มันเกิดคืออารมณ์อย่างนี้ถ้าเกิดมันจะแดงถึงนี่คือถ้าเกิดมีการกระทบนี่ใมันจะต้องมีอารมณ์เสมอมันเป็นเป็นเพราะว่ายังมีพลัง อ, อย่ใช่ไหมคะได้เหคืออารมณ์บางอย่างนี่มันเกิดขึ้นมาแลนวบางทีก็ไม่ได้แค่ที่ควรจะที่เจรนามันก็กลับล่อยมันเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันสบายใจกับไอาอารมณ์อณันนั้นใช่ไหะ อันนี้มันผิด่ไหมใช่ไหมว่าไม่ว่าอารมณ์นางไหนมัต้อง็นยังไงก็นยังไงเนี่ยก็แสบติการกระทบเสียงกระทบเนี่ยย่างกระทบเนี่ยไทยมันกระทบเสียงกว่ามันกระทบเฉยนันกระทบเฉยเฉยไม่มีอะไรเสียงกว่าการกระทบเฉยจสยนะที่มีการกระทบปั้นจะยิ่งเฉยเฉยไม่ได่ไง อย่างงบมันร้องตัวมันตันมันร้องแกล้งเพียงบอก็มีนีไอตอนที่สองท่าอุปชาไอท่าวิจามันอฏิชาเป็นพื้นมันจะรู้กันหมดมีเสียงงบนึกอยากไปจับมันไปขายอย่างนี้มีมันเกิดตอนจะมาตรงนั้นเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเขาร้องเพลงอย่างนี้มันร้องครับจะมากระทบแกล้งในนี้เรียกว่าการจัดโต๊ะท่าเพื่อนมันมีอวิชชาหลงอยู่เป็นต้นมันจะคิดฐิหมด ี่คนนอกฟังจะดีเสียงมนใส่ลดีรูปร่างมันเห็นเฉยเฉยมันก็ไปของมันดีอย่างนั้นนี่ตั้งทีสองนี่นี่มันเป็นมันต่อใจน่เว่าอามีอวิชชาเป็นพื้นมันเป็นพื้นองดูกระทบใหม่ในเรื่องอะไรกระทบเฉยๆเลยเฉยไม่จริง่ังไรต่อไปนิววิชาอาวิชชามันมันรกหลุมไนี่เสียงนอก เท่านั้นก็ไม่มีนึกอยากจะจากมันไปขายอยากจะกินเนื้ออะไรมันมันก็ไปไปอีกอย่างหนึ่งนี้นี่เราการกระทบการกระทบเดียวก็กระทบนี่มันปึ๊บมันไปเป็นแถวเลยมันไม่มีอยุใช่รทสมันกระทบปั๊บแ้ถึงโ้ตปุ๊บมันอยากจับปั๊บมันมันจะไปลายเลยใช่ไมใช่อันนั้นมันเร็วมกแต่ว่าไม่มีคัตเอา แต่ว่าไม่มีมั น, ม, น, ม, น, ทท ม, นมันขาดอยู่นะแต่เราเอาไม่ทันมันขาดเสียู่มันขาดอยู่แต่ว่าเราเอาไม่ทันคือมันเร่งแรงเดินไปแต่มันกลัวระยะขาดมันมีอยู่แต่ว่าเราตามมันไม่ทันทําไมถึงไมตามก็ต้องต้องตามสติให้มันออกมากขึ้นสติให้มันมากขึ้นไอควรเองมากขึ้นก็ขับความความเบื่อความรัก นี่มันเป็นเป็นอารมณด้วยเป็นเด็ดเรือมันเป็นอะไรเนียคือคือเนี้ยตัวอย่างเช้าเนี่ยผมตื่นมาเมื่อเช้าผมนั่นเฉยๆใต้เตาถ่ายแล้วก็ดูไก่แย่งเว่าเพลินๆเนี่ยก็ยโทรศัพท์มาเด็กวิ่งมาบอกโทรศัพท์ มันเป็ดจริงๆมันหาจะกโทรศัพท์บทานราตรไหนะเ้ยไนี่เป็อะไรเป็ดอารม์หรือว่าเป็นเป็นกิเลสหรือเป็ดม้งรอร้ใคคนจะเป็นตุวคนุ้อมังมนาอะไรกันแม่มันเป็นมันเป็น อารมณ์นั่นเนี่ยมันเกิดให้เป็นกิเลสขึ้นมาอารมณ์มันมากระทบให้มันเกิดกีดเลสขึ้นมาคือก็เรียกว่ามันกําลังย่องอยู่ในสิ่งที่เราต้องการนะนี้มันปราศมันในการที่ม่ชอบนั่นแหละไอ้ที่มันเป็นตองไปชอบอันนั้นมันก็เป็นกิเลสอันหนึ่งกิเลสนะเป็นกิเ<ม>ลสเรามยายามให้มันเป็นอย่างนั้นกำลังเราเตินอยู่นพะรมันตัดเราไปแจ้งนี่ ใจแล้วก็ไม่สบายเพราะอารมณ์มันนั้นนี่แก่ไหมแกว่าถ้าหาว่าใจมันสบายมันเกิดประโยชน์อะไรไหมถามถามว่าจิตไม่สบายเพราะอารมณ์เนี่ยนะถ้าเป็นเช่นนั้นอยู่ทุกครั้งมันเกิดประโยชน์ไหมทูกอารมณ์ทุกทีเกิดทุกทุกทีทุกอารมณทุกทีเกิดทุกทุกทีมันสบายนะถามตัวมันจะตอบหรือไม่ ถ้ามันเข้าใจมันสบายก็คงจะดีนะ้ามันไม่พอใจไม่สบายไม่ไม่สบายอ่ะตรงที่ไม่สบายมันเป็นทุกข์อ่เราไม่ชอบมันเราทำไมมันจะให้ทุกข์สอนมันไปที้แียวให้มันเก็นมีตัวของมันน่นเป็นเป็นเป็นทุกคนเป็นทุกคนแต่ว่า เมื่อเวลาเราอยู่คอนเทนเวลาเรามีอารมณ์ทุกข์อยูนะมีอารมณ์ที่มันสะวายใจมาผ่านนี่มีันดีใจเฉยๆนะทำามันมีใจเพราะมันมันชอบอารมณ์ที่มันพอใจมาแต่ก็มันเลยดีใจขึ้นมามันตรงเงินกันอันเดียวกันอันเดียวกันแต่มันเปลี่ยนหน้ากันมันเปลี่ยนหน้ากันขนาดไอ้ความดีใจและความเสียใจเนี่ยถ้ามาวัดตามส่วนของธรรมะแผ่นแท้มันไมเท่า Ses, มั mm. começo. นเหนื่อยกันอย่างนั้นมันเป็นเรื่องพูดง่ายๆเดอกมันเป็นเรื่องที่ให้จบมันเป็นเรื่องที่ให้จบที่ที่านสอนมาให้เราจบนั่นน่ะก็คือให้รู้เรื่องสิ่งท่างหลายแล่านี้ว่าสร้างกรรมมันหนึ่งหรือสร้างความรู้สึกอันหนึ่งอย่านเหนือสิ่งทั้งหลายนี้ซึ่งว่าท่านจับในที่นั้นว่ามันเป็นโลกุตาละมันพดจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ให้มันเหนือสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะหมดเมื S <S <an> ่อหมดมื่หมดจริงที่เราไม่หมดก็ส้องเปลี่ยนอย่ะทาไมหยุดมันจะาเเคยสอนมันมเปีนจิตใจนี่ทำไมเราไม่เสียใจไม่ดีใจมันมันเสียใจมันดีใจยางไงเพราะเรายังสําำเร็จถ้าเราสาเร็จแต่มันกเป็นนั่นแหลๆเพราะเรายังไม่สำเร็จ มันตอบเดก่อนอาแล้วตอสำเร็จมันก็จะรู้เรื่องแตที่ตามกับเด็กนเที่ยมันจะมีความดีใจมีความเสียใจแต่ก็ยังมีมีมีมีกำลังอย่างหนึ่งเช่นกันนะเรารู้จักว่าดีใจเกินไปนี่มันก็มาเชียทางแล้วเสียใจเกินไปนี่มันก็มาเใจยทางแล้วครับที่มันจะมีควมีเป็นอาอะไรกันเน่มันไปสลับตัวนไปอย่างนี้มีแต่การรักาไว้ก ต่คอยดูดใค้วิธีไปดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาคือหมายควาะว่าอาาัตติให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นถูกได้ไคืเป็นความรู้สึกวายมากคื่เดี๋ยวว่าเป<ม>็ไไนไงที่ใจรับอารมณ์ได้ง่ายแต่ถ้าจะาใช่วิธีฝึกสติปัญญาดูว่าตอนนี้ตัวเองกำลังมีอารมณ์เปนไงได้ ไอ้ความรู้สึกนึกคิดของเรากิดมันมีอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนพระยามมันมีสติรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอมันจะรู้จักอารมณ์ที่มันเกิดเกิดมาเช่นว่าในร้านในบ้านเราเรากวอดเสมอเรากวอดไว้มันสะอาดนี้แล้วก็นั่งอย่างใบไม้จะมีฝนตกลงมาแล้วรู้จักอะไรที่มันโดูดลงมาแล้วก็รู้จักว่าที่มันสะอาดนี่ยถ้าหากเราปล่อยไปเฉยเฉยไม่มีสติสัมปชัญญะ สมเดลา น, นวาดะไรอ่าเขวดทัศน์เลยใบเก่ามันโบดลงไปก็ไมรู้เรื่องใบใหม่ทับมาเลยมันเป็นป่าเลยเนี่ยมันใความรู้สึกอยางเง้ถ้าเราขวาตรงนี้เตียนว่าอย่างเราสมองๆตรงนี้อะไรตกตรงนี้นี่เราก็รู้สึกโนะรนียอะไรมนตรงว่าอย่างน้มอน น, นี่ก็ได้ว่าสติเรารู้จักสับมโนไม่มีทกขน์กขนะดี เบื่อบาอย่างที่มันทำให้ใจไม่สบายคือว่าทีเขาไม่มีคนที่รู้จักดีๆให้เขาทำแล้ววนันหนึ่งเขาก็เกิดจะต้องตายขึ้นมาไปโลกมันเลยอีค่ะมันก็บอกไม่ถูกมันรู้สึกเรามีนายไม่ได้าแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีคือมันแล้ก็วันจะมันก็ต้องตายเหมือกันอย่างนี้ค่ะมันเป็นความรู้สึกตรงๆเบื่อๆอย่างไรมันไม่ได้าแล้วมันมันก็ไม่ อย่นางนี right. Tim, head, ้ยมันก็รู้ส yeah, so mm ึกว่ามันทาให้เกิดความสัท่าในการปฏิบัติมากึืนแต่ยางนี้มันก็ทำให้ใจเนี่ยมันช้ามันไมมันไม่สดชื่นมันยังไงคมันบอกไม่ถูวคืออันนี้มันจะทำาวัที่มันเบเวลาเวลาที่ได้รับอะไรที่มัเบือกันมัชอบมันไม่ชอบมันก็เบ่ที่มีเื่อนเราชอบมัน ม่มันจะเป็ี่ยนบทีเศีาเือชิกันยังไงยัไมันเป็ี่ยนยังไไม่ชอบมันก็เบือนมไนเป็นยังอย่างนี้เรามีมันก็นความเบื่อเบื่อท้องคนแล้วก็เบื่อท้องวิญาณเหการก์นั้นเบื่อเบื่อ้องคนาบางทีก็เหมอยากเป็นหน้าก็เมือนอยากพูดบมันอยากกะไรนยาเบื่อเพราะมันขีเห่มันหลเบื่อเพราะสอาดตาต่มันอึดอั อะไรมันก็เท่านั like s hm. <S okay. ้นเนี่อะไรก็ท okay. ่านั้นแหละนเบื่อวง่ความสนนันก็เปลนานี่่แบวใจนขึ้นกไม่เป็รเอทร่ยความเบื่อความเบื่อหน่าย เบื Molly, ่อหนายคลายความกำหนัดเบื row, et, right? the the ่อน่ายคลายความกำหนัดมันมีมาอย่างนั้นิพพิทาท่านพูดึงทำมาแต่มันนิพพิทาความเบื่อหนักขัวเบื่อหน่ายไม่อยากจะไปแตกมันเไม่อยากจะไปต้องมันเไม่อยากจะรักมันเไม่อยากจะไปเียดมันเอย่างเงี้ย มีอะไนิพพิธาควานเบื่อหนเบื่อเนี่ยอ ย, อยากให้มันไปขึ้นใช่ไหมอยากให้มันมีอะไรมุดไวมันป็ะกอบเวลาพระสงสาเบื่อที่ได้หวัดใครเที่นิพพิธาความเบื่อหนเบือ่อนาไหวตรงนั้นมันเป็นภัยที่สุดไม่ควรจะไปแต่ต้องอะไรมันอย่างนั้นควาเบื่อหนาเมื่คลายเวลาครับเวลาคระ ดีลาคากลายมาจา ก, นนกนคนจะชื่อความหมายอยา่างเดียวอันเดียวกันดีราคาคลายคลายคลายคลายมันนลดคลายหนดพิธานอลดลงนี่คือพิธานี่เขาจริง มันอะไรหลายอยา่างมล้ายกันมันมีอะไรมาได้ใจใจมันจะ ไ, ได้แต่าบางทีมันก็คล้ายๆกับ ว, ว่าจะจะดีคือมันก็เบื่ออะไรคล้ายๆกันการว่าแต่างีมันก็กลับนิดแล้วก็กลับอยากได้อยากอยากเป็นทีออย่างมากมายเดี๋ยดีเดี๋ยว ไ, ได้เดี๋ยเข้าดีออกไม่ก็ทุกคนอะเป็นเหมือนทันไม่จะเ็นแคท มันก็ท่านเห็นมันเป็นอย่างนั้นแหะท่นเป็นจริงๆที่ิยานามั้งอันนี้มันเั็นจริงๆว่าอันนี้มันไม่แน่นอนเรื่องมันดีเรื่องมันร่ายเรื่องมันดีเรื่อมันร้ายมันโกหกงันเยอะไปเราจะเป็นตาอะไรมันมากมายเพราะว่าเป็นแค่นั้น่ะมันก็ลงต้ก็ค่อยๆจะปล่อยจะวางไปเพราะมันปรุงมันแต่งในบางทีที่มันที่มันไม่เคยดีมันปรุงให้มันดีขึ้นมา จตสิ่งที่มันมาดีมันก็ปรุงใหนดีเกิดมามันมันปรุงแต่เนี่ยเรื่องที่มันปรงแรงต่งจิตใจกุตกชนแล้วก็ต้องกลืนถ้าไม่มีอย่างนั้นก็ไม่มีข้อปฏิบัติอะไรหนึ่งก็ต้องเรียนนี่นมเป็นรือง น, น, น่งงที่เมื่อวเมือื่อนีปฏิบัติจริงๆต้องฝึกสมาธิให้ได้ถึงพูดแปลอยันไรก็ให้เป็นปนภาณาให้ได้ ยังไงก็หายเป็นไ้กต่ไปเป็นอัปนาจะตัดชั้นห่งหรือสองชั้นเลยันจหะถึงหลายวันหลังมันเข้าไปไมได้อะมันก็ไปรีบคือมันเอาอะไร ไ, ไปป้ายอยู่ตนั้นเนี่ยแต่ธรรานึญงแค่ไหนแค่แคชุดของความสงบพอท่ใชอรสุดของความสงบได้นนชานเะรื อ, อืม้นหน่อยคับาอปนาเนี่ยไหลเป็นเ ร, รือ่องไหานเลยน่าอภป น, นานี่ยนะ อัปนาอัปนาจะมาที่ <c oughs> แต่ว่ามันจะมาไม่ให้กำหนดอันนั้นไม่กำหนดเรามันได้ทานนั่นไป้ทานนั้นนี้่แต่มันจะไป น, นังในในน่งอาทานเรย่อยมันจะวำาเห็นความโภคมันพอสมควรเลยอะไรก็ช่างคอนเถิด <c oughs> ไอ้ที่เรียกว่าตัวจริงๆของมันไม่มีใครรู้จกัก <c oughs> มันรู้จักแต่ว่าจิตใจของเจ้าของเมัอกับเจตนาด้านนี้มันรู้บอกตัวเองว่ามัเป็นอย่างนั้น <c oughs> ให้จิตใจมันเบาลงไปมันที่สุดของมันมันไม่ลืมนะถ้ามันเป็นอปนาเนี่มันไม่ลืมกับอย่างที่เราเดินไปไปถึงไปเห็นอะไรที่มันสวยที่สุดในชีวิตของเราตอนั้นในกรณีแบบนั้นมันไมืมอันนั้นมันต่อที่มันไม่ลืมมันเป็นวิตสัยแต่ก็มันเป็นปัจจัยเพื่อจะดึงดูดจะไปสร้างบารมีต่อไปอีกนะเพราะนั่นแะใจของเขาตื่นนะเขแปลว่าแต่กนาเนี่ยหมายถึงว่าจิตต้ออยู่ในสมาธิ มันหลอดไปไม่มีไม่มีถอยออกถอยออกมาแล้วบริวารการชุ่มของจิตมันมีอยูเช็นมาฝนตกได้ดูนี่เน่ะเดือนห้ามันแล้งทางเดือนเลยนะที่อีกว่าหนึ่งฝนมันตกมาชักใหญ่เลยเนะ่มันจะชุ่มดินชาติทางด้ายเป็นเขียวไอ้พวกนกทางด้ายตัมันแต่ละเริองบันเทิงมันชุ่มอย่างนี้ถ้าจะไปที่ไหนมันจะเครื่องผูกมัดจิตกันมาอยู่เสยอ มันเคย่อยสร้างบารมีแล้วก็คออยเพียรนะเพื่อจะมีธรรมยาเป็นตัวนั้นค่อย่างนา้แต่ว่าให้มันถึงให้มันถึงความสงบเห็นความสงบเ้นมันดื้อไม่ได้ใช่ไหมมันจิกมันตออย่มันดื้อไม่ได้มันพยายามนะมันพยายามจะทำสัก้าของเราไปส่วนหนึ่งกล้าไปเรื่อยออกมาตามที่ครูวาอาจารย์สอนมา ถ้าก า, วาขวาไปถึงปัญญาสมาธิแล้วให้กับคนที่เปนั่งเขียดพณิธานแล้วใกล้พณิธาเนเนี่ยใกล้พระพุทธเจ้าเป็นทีแล้วอย่างนี้ไม่เช่นใคร่ที่ว่าเรานักปัญามาจิตใจมันตกขนาดไหนขนาดอยู่แล้วมันเสียความจริงอะไรเกิมาอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นมันสิ่นไปได้แต่พอพูดเนี่ก็ดื้อังไม่ได้เหมืหนัน มันเป็นแบบนั้นอยู่อย่างนั้นมันไม่ตื่นมันไป่ลายมันเป็นอย่างานี้มันไปใจเรื่องเรืองเรื่องเ ร, รื่องเขอยู่เรื่อยไปอันนั้นมันเป็นยึดใจมันเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างต่อไปนะภาไในความสวกถึงควานนสมสงบแต่ตอนนั้นยังไม่เกิดปัญญ า, าเฮ ย, ยังไม่เกิดยังไม่ลูกขึ้ปัญญาที่จะยังก็เริ่มปัญญาจะเ ก, กิดขึ้นต่อไปปูกปัญญาแรกตอนนั้นน่ะขอให้มันจะหลุดปัญญาต่อ น, นั้น เช็นว่าเราเดินเข้าไปในป่าอยากจะได้ต้นไม้ต้นหนึ่งมาสร้างบ้านทีน่นี้เราก็มองเห็นในต้นมันโผลเป็นสูงปแล้เราก็มองเดินไปดูเห็นต้นตายกันดีแล้วเห็นแล้วต้นไม้ต้นหน่ส่วนสั้นยาวใหญ่โตโถฐานมันสร้างได้แล้วเราจะไปเอาไป ท, ทีอย่างไรไปต้องมาทำทางไปเอารดหน้าไปาทำเกษตรต้นไม้ต้นนึง่งจีย่ง เพเราเรียนชัดแล้ไวไอ้ไม่ตัว น, นั้นมันในสัดส่วนแล้วมันมีประโยชน์แล้ ว, วลยนี้อันนี้เรื่องการพยายามปฏิบัติให้เขาถื อ, อา ก, การที่จะปฏิบัติให้ได้ให้ได้ถือเอนานาเนี่ต้อ ง, งสม่ำเสมอไปเรืพยายามให้สม่ำเสมอหลอักเรียกว่ามันวันนี้มันขี้เกลียจก็ทํา ขยันกท็ทำเปียนก็ทำขยันก็ทำแต่คนมันอยากจะทำแต่ว่ามันขยันเปียนเพื่อไม่อยากจะทำนี่ก็คือทำตามใจของเราไม่ทำตามธรรมะ้าตามตธรร ม, มะเปลียนขยันกท็ทำทำไปไม่ได้ทำกำฟื้นทำไม่ฟื้นก็ไม่ได้ท ำ, ท ำ, ทำแล้ว ยางสถานที่คือหาว่า อ, อย่างจิตใจถ้าอยู่ในสภาพด้านลาที่ยังมีอะไรอยู่นี่ก็โอกาสที่ทํตัว อ, อย่างนั้นเลยอะยากยากสถานที่มันยากา ย, ยา ก, ยากจาเป็นต้องมีสัตว์ป่ยากเสมอเลยนะแล้วเมื่อมันครอบตัวแล้วก็มันสิด อ, อะไรอย่ี้ยครับคนาในรถเดินได้นรเลย เวลามันคล่องตัวคือมันฉลาดเลยจะทำที่ไหนก็นด้แต่อย่างเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอย่างหรือมันเกี่ยวกับจิตของเราอะไรต่างๆรถหนังเรือที่น้กว่าไปมันชนาญมันรู้จับจะหักมันเหเือนมันเขียนตั้งคืนเป็นเด็กไอวครู่ไอ้คำตัวบรรจงเนี่ยมันดีถ้าพยายามเขียนถ้าหากว่าเราทำได้ดีแล้วราจะไม่ไปเขียนบัตรเลยนะ ที่ in ม, hmm. มันเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้ดีดีความชำนาเมื่อความชำนาญมีไอความสงบมันจะมีอยู่ทั่วทุกท hmm. ิศจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันจะมีความสงบเข้ามันมันรู้จักความผิดถูกอยู่เสมอเลยไมันจะเป็นอย่างนด้ความสงบท่านอาจารย์ท่านที่เขาก็คือก็รูเอง หนตสงกันแนเขาก็จเข็จ้ออกมันจีมันเสียอจกจารจะทำมันจะรู้เองนบอกไม่ได้มันเีเม่เห็นตัดตังนแต่ว่าเสื่อมเหมือนกันนะเอเสื่อมดันเสื่อมไอ้ข้ช้านี้เสื่อมตรงนั้นแหละเสือมที่จะมันไม่เสื่อมก็คือตัวปัญญาเห็ชัด อันนี้เชื่อไม่ได้ดูนนตาเราก็เป็นเนื้อยอยู่นน อ, ยอย่างนี้ตาเราเป็นเน้ออยู่นี่เขารู้จักนี่เรต่อสู้ได้ตลอดตัวมีศัสนามันมนเรื่องตามความจินของมันเอมีกาลังมาอันนี้ เ, เป็นเครื่องตัดกระรูดของผ์ก็มีพระจรรมาักรของระ้าของเราัทั้แรกเราจะพยายามหาสานที่มีเ น, น, น, นอวา อย่ากาสะดมกันไปตัว้วนม่ดเราก็เป็ น, นมัดป่าดีๆอย่างเงก็อยู่ในใจด้าวีเรกอีกจะพายหวาดออกจากต่าไหาวีเรกอีกอย่างนี้อมันยังไม่เห็นอมันยังไม่เห็นถ้าเคยได้ใช้การพมาที่มันไม่ได้เป็นเหตนุคือโทษท่านน้แต่ว่าถ้าจะช่วยใช่อย่างที่จะิญมาอะไรนี้ช่วยช่วยได้ไนีแล้วแคจะ ได้ <stadium. S 1> ยกเรื่องด้างกายของเรานี่ขึ้นไม่ต้องเราอื่นมากกว่าที่ชนะศีรษะไปหาปลายเท้าลงแต่ปลายเท้าหาศีรษะมันมีส่วนในส่วนอะไรนี้ไม่ได้หาอย่างอื่นนะเพราะว่าไอ้ของต่างหลายที่มันให้สงบจิตใจครับเพราะว่ามันรู้กายก่อนนี้รู้จิตอันเนี้ยการกินกินนะเป็นแบบกินแบบเกษารือผมเนี่ย หากคนฟังทําไมผมเราเเห็นมันนี่กิริยาธรรมที่ความจริงมัเคยเป็นผมจะหลอกเห็นบุญเคยเห็นนะว่าลักษณะมันเป็นยังไงเห็นจริงๆงนั่นไม่เห็นเนี่ยผมคนเล็กฝันหนังอะไรเห็นจริงจริมันไม่เห็นน่ะอยู่ไปเห็นนะเห็นเห็นตรงนั้นมันไม่เห็นเห็นแตมันไม่เคยที่เยาธรรมันไม่ได้เห็นเห็นมันไมู้ชอย่างนี้แต่มางคนเคแยกงเราไปขี้อ ไั้มาดูจะโค้นเนี่ไอ้มาดูแต่ค้นอานี้หรไม่มีอยู่แน่ไอ้ความจริงพิจารณาแหละเห็นชัดต่อไปเลยไม่เคยเห็นผมจะโพงไม่เคยเห็นฟันจะโไม่เคยเห็นหน้าตายเงาจะโค้งอยากตาโคามเป็มๆยังไงที่จะได้ไปเห็นเห็นน่ะเห็นชัดต่อไปแล้วนะมันไม่มีอุปทานมือไม่ดิ้นมานถือมันเห็นจอดตอเปนวันใจ เห็นจริงเห็นเป็นของใช่เป็นของโมบนั่นพระใเห็นเป็นของสวมจะไปรังเบียดก็ไม่ได้นีนะเห็นเป็นของโสมบจะไปรังเบียดมันตัวไม่ได้ดีนะจะไปรังเบียดได้ไงไหนมันเป็นมันเป็นรากพระชนิดนึงเป็นไม้ไม่ได้เห็นเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาเบือนยตายตาวานอกเมนี่ อย่างนั้นก็เห็นคนสวยก็รักเห็นคนไม่สวยก็รักเกียดเลยนะึกนึกเป็นธรรมดาใช่เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้กลยเป็นธรรมดาก็หมดอย่างนีอ้อันนี้เรื่องดั่งกายของเราตั้งแรกของเอรเบื่อหน่ายอย่างนาี้จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรมากมาย เด็มานคือการเจมาแล้วเคบอกให้พยายามจรพนาร่างกายนรู้สึกม e ันไม่ค hey, ่อยจะลงใจมันก็คือชอบอยากดูอยากยาวดูมันดูไม่ได้ผลเทำอย่างนั้ันวก็เลยแล้วตอนหมถึงแม่จะไม่จาฝืนก็ให้เป็นยาอย่างนั้นคนเราต่ิวอ่าเหพระกับศพมีการเกี่ยวข้องกัน ว่ามีโแต่ดนว่า่ไดีนกจริงไนรจริงมันเ็นช